คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM แปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิรตซ์สถานสุขภาพความงามบัวดสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลธั ญ, ญบอรุรีให้บริการทรงเสริมดูแลสุขภาพความงามด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทรีตเมนต์ทุกส่วนของร่างกาย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 ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999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 www.fisf.rmutt.ac.th ต่อจากนี้ไปขอเชื่อนท่านผู้ฟังติดตามรับฝั่งรายการ My Computer ดำเนินรายการโดยทีมงานวิทยุราชมงคลทันยะบุรี สวัสดีค่ะผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการไมค์คอมพิวเตอร์ค่ะดาริสาตรากุเนศนะคะมาพูดคุายเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีไอทีต่างๆนะคะมาอัปเดตเรื่องราวไอทีต่างๆในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากันเช่นเคยดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาติดตามแคมเปญที่น่าสนใจของ SPVI กันค่ะมีการจัดแคมเปญสวัสดีวันจันทร์บางท่านนะคะติดตามในเรื่องของการใส่สีเสื้อตามเขาเรียกว่าสีเสื้อมงคลใช่ไหมคะทีนี้ได้มีการจัดแคมเปญเหมือนกันเกี่ยวกับด้านเทคโนโลย รีไอทีแบบนี้นะคะใส่เสื้อสีตรงตามวันรับส่วนลดเพิ่มไปเลย 50% ค่ะผู้ฟัง ทางไอสตูดิโอแล้วก็ไอบี at, นะคะบาย SPVI ค่ะจัดแคมเปญใหม่ค่ะภายใต้แคมเปญที่ชื่อว่าช็อตออนไอโฟนสวัสดีวันจันทร์ที่แอปเปิลประเทศไทยปล่อยออกมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการจัดโปรโมชั่นนะคะรับส่วนลดสูงสุดเพิ่มนั่นก็คือเพิ่มอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อลูกค้าเนี่ยใส่เสื้อสีตรงกับวันมาซื้อสินค้าภายในร้านนะคะซึ่งโปรโมชั่นจะมีดังนี้ค่ะไอโฟน X เอสแม็กนะคะผ่อนยาว 0% 24เดือนสามารถซื้อไอโฟน X เอสแม็กสีซิลเวอร์ขนาด2 5 6กิกไปได้นะคะในราคา 46,900 บาทจากราคาปากติ 49,900 บาทสามารถผ่อน 0% ได้นานสูงสุด24เดือนค่ะแต่ท่านผูงม้ฟังเนี่ยใส่สีเสื้อให้ตรงกับสีวันแล้วก็มาซื้อจะได้รับส่วนลดไปเลยจากแอปเปิลแคสต์นะคะรับเพิ่มไปอีก 50% ทันทีรับสิทธิ์เป็นสมาชิกไอเมมเบอร์ซิลเวอร์นะคะจากทางเอสพีบี ฟรีด้วยนั่นเองค่ะมาดูในส่วนของสินค้าอุปกรณ์เสริมลด 20% กันบ้างซื้อสินค้า Apple นะครับพระร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆเช่นใส่ชาร์จลำโพงเคสลด 10% ถ้าใส่เสื้อสีตรงกับวันมาซื้อก็จะรับส่วนลดเพิ่มไปอีก 20% ทันทีค่ะในส่วนของ Apple Care Plus นะครับ ลด 10% ซึ่งสินค้า Apple พอม Apple Care Plus นี้นะคะลดทันที 10% เมื่อคุณผู้ฟังนะคะใส่สีเสื้อตรงกับวันแล้วก็มาซื้อสินค้าเขาเรียกว่า Color Super Surprise 7วัน7สีนั่นเองโปรโมชั่นสุดท้ายนะคะเป็นการลดราคาอุปกรณ์เสริมตามวัน7วันแล้วก็7สีดังนี้เลยวันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังมาดูกันนะ JBL Clip 3ลดราคาเหลือ 1,992 บาทจากปกติ 2,490 บาทหูฟังค่ะลดสูงสุด 4,9 ร้อยบาทนะคะเป็นของ BOP ค่ะวันอังคารค่ะ Case UAG Film Brick แล้วก็ High Shine นะคะลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะวันพุธเป็น Power Bank แล้วก็สาย Lightning ของ Inner Gear ค่ะลดสูงสุดสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สายชาร์จของของ Blink In ค่ะลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์วันพระรหัสนะคะ Power Bank ของ iWalk ค่ะซิลิคอนคีย์บอร์ดโมชิ chi, เคสเมาส์ Speedgen แล้วก็ ดิลิเมนต์นะคะลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะวันศุกร์ค่ะจาบาอีไลท์แอตตีบหกสิบห้าทีค่ะลดเหลือหกพันสองร้อยเก้าสิบบาทจากหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทวันเสาร์นะคะหูฟังค่ะลดสูงสุดนะคะเหลือเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทของแพนทรอนิกส์ค่ะส่วนวันอาทิตย์นะคะเจบีแอลคลิปสาม ลดราคาเหลือหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทค่ะจากปกติสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็หูฟังค่ะ Bioplay นะคะลดสูงสุดสี่พันเก้าร้อยบาทซึ่งโปรโมชันนี้รับตั๋วบัตรนี้ค่ะจนถึงสี่กรกฎาคมนี้ที่ไอสตูดิโอแล้วก็ไอบีด by SPB I เท่านั้นนะคะไปติดตามโปรโมชันต่างๆกันได้ใส่เสื้อให้ตรงกับวันที่กำหนดละการเจ็ดวันเจ็ดโปรโมชันค่ะผู้ฟังข้ามเรื่องโปรโมชันมาก่อนนะคะมาดูในเรื่องของมาดูทางด้านไอโฟนกันบ้างนะคะที่ ไอเอลเอส13ที่ออกมาให้อัปเดตกันหลายๆท่านก็เริ่มอัปเดตเงียบเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยไอเอลเอส13สามารถใช้อ่านข้อมูลในแบบประชาชนของญี่ปุ่นผ่านเอ็นเอฟซีได้ด้วยนะคะเรื่องราวนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าล่าสุดค่ะเดลยอร์ค่ะได้ออกมารายงานนะคะว่าไอโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการไอเอลเอส13ที่แอปเปิลเนี่ยเพิ่งเปิดตัวไปนะคะในงานวีดีโอวีดีโอวีดีโอวีดีโอวีดีโอวีดีโอวีดีโอวีดีโอวีดีโอวีดีโอวี บัตรประชาชนของญี่ปุ่นเพื่ออ่านข้อมูลได้นะคะผ่านทาง NFC ได้แล้วด้วยปัจจุบันเองเนี่ยแอปเปิลก็ได้อนุญาตให้แอป เทอร์สปาร์ตี้อื่นๆสามารถเข้าถึงชิป NFC ได้ในไอโฟนไอแพดแล้วก็แอปเปิลวอชมากขึ้นค่ะซึ่งทำให้นักพัฒนาเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้ด้วยปัจจุบันเองเนี่ยบัตรประชาชนของญี่ปุ่นได้ฝังชิปในส่วนของ NFC เอาไว้ในบัตรนะคะแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นพัฒนาแอปขึ้นให้สามารถเก็บข้อมูลไว้ในไอโฟนหรือว่า iOS สิบสามขึ้นไปได้แล้วด้วยค่ะแล้วก็ยังสามารถเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ได้อีกด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าประชาชน ในญี่ปุ่นมีการใช้ไอโฟนจำนวนมากคือคนส่วนใหญ่จะใช้ไอโฟนค่ะผู้ฟังเช่นการติดต่อในสถานที่ราชการการยืนยันตัวตนเวลาไปเสียภาษีเป็นต้นค่ะจริงอยู่นะที่แอปเปิลเปิดให้นักพัฒนาเข้าถึงชิป NFC ได้ค่ะแต่แอปเปิลก็ยังคงจำกัดสิทธิ์ให้แอปเนี่ยสามารถอ่านข้อมูลจากแท็ก NFC ได้เท่านั้นไม่เหมือนกับ Apple Pay ของแอปเปิลนะคะที่สามารถรับและส่งข้อมูลได้พร้อมๆกันเลยยิ่งไปกว่านั้นนะคะแอปพลิเคชันเนี่ยที่ต้องการใช้ NFC นั้นเนี่ยจะต้องส่งให้แอปเปิลตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วก็จะต้องผ่านการพิจารณาเป็นกรณีไปนั่นเองค่ะจริงๆมันก็ถูกของเขานะเพื่อความปลอดภัยในตัว ในตัวระบบของเขาเองด้วยนะคะเป็นที่น่าดีใจสำหรับชาวญี่ปุ่นนะเราก็รับทราบกันดีอยู่แล้วนะคะสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเมืองที่เรียกว่าโห high technology ไปเกือบทุกอย่างนะตอนนี้นะคะอ่ะไหนไหนพูดถึงทางด้านแอปเปิลนะคะต้องมีข้อพิพาทนิดหนึ่งละกันทางสหรัฐเองในเรื่องของเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กเนี่ยระ ง, งับความร่วมมือกับหัวเว่ยตามคำสั่งของประธานาธิบดีของทางสหรัฐค่ะโดยเฟซบุ๊กมีการประกาศนะคะว่าบริษัทได้ระ ง, งับความร่วมมือกับบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลย ตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีคำสั่งสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีค่ะเรียบร้อยแล้วด้วยโดยจะไม่อนุญาตให้อุปกรณ์รุ่นใหม่ของหัวเว่ยเนี่ยติดตั้งแอปพลิเคชันเฟซบุ๊คล่วงหน้ารวมไปถึงแอปพลิเคชันในเครือนะคะอย่างเช่นอินสตาแกรมแล้วก็วอตแอมป์อีกด้วยแต่ว่าในสมาร์ทโฟนรุ่นปัจจุบันของหัวเว่ยค่ะที่วางจำหน่ายณขณะนี้เนี่ยสามารถใช้งานแล้วก็อัปเดตแอปพลิเคชันทั้งหมดได้ประกาศของเฟซบุ๊กอันนี้เนี่ยมีขึ้นหลังจากที่กูเกิลประกาศระ ง, ง พันธมิตรทางธุรกิจกับหัวเว่ยค่ะซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ยเองในอนาคตเนี่ยไม่สามารถใช้งานเพจโตได้นะคะด้านหัวเว่ยเองก็เลยแจ้งนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่มีการวางขายในปัจจุบันยังสามารถใช้แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับทางเฟซบุ๊กได้นั่นก็คือสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ตามปกติเพียงแต่ไม่มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันให้ล่วงหน้าหรือว่าติดเครื่องมาตั้งแต่เปิดให้ลูกค้าเนี่ยจัดจองหรือว่าซื้อเองค่ะลูกค้าสามารถดาวน์โหลดมาใช้เองได้นั่นก็หมายความว่ายังใช้ได้อยู่นะคะคุณ นี้นะคะกับหัวเว่ยค่ะประกาศคืนเงินเลยค่ะถ้าหากว่าใช้แอปอาจากกูเกิลแล้วก็เฟซบุ๊กไม่ได้นะคะทางหัวเว่ยมีการประกาศคืนเงินนะคะถ้าหากว่าใช้แอปพลิเคชันยอดฮิตไม่ได้ค่ะโดยทางหัวเว่ยเองเนี่ยก็มีความร่วมมายร่วมมือนะคะกับตัวแทนจำหน่ายสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเลท็ตหัวเว่ยห้ารายด้วยกันได้แก่ซินเนก์เจมาร์ททีจีโฟนซีเอสซีแล้วก็บานาน่าร่วมกันประกาศคืนเงินจำนวนแบบเต็มจำนวนค่ะผู้ฟังหากพบปัญหาในการใช้งานหรือว่าอัปเดตแอปพลิเคชัน ยอดนิยมเช่น Google Pay, Gmail, Google Map, Google Chrome, YouTube และก็แอปพลิเคชันจากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะ Facebook, Instagram, WhatsApp โดยการรับประกันครั้งนี้เนี่ยจะครอบคลุมไปถึงผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ระหว่างวันที่12มิถุนายนจนถึง1กันยายน2562เป็นระยะเวลา2ปีเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะเลือกใช้สมาร์ทโฟนและก็แท็บเล็ตของ Huawei ในอนาคตต่อไปอีกด้วยค่ะ ติดตามกันต่อละกันเป็นมหากราบมากๆสำหรับหัวเว่ยแล้วก็สหรัฐนั่นเองค่ะทั้งจีแล้วก็สหรัฐนะในเรื่องของทางการค้าเองก็ดีแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีเองก็ดีเนี่ยจะมีการตอบโต้กันอย่างไรต่อไปในอนาคตนะคะเดี๋ยวรอรอติดตามข่าวกันต่อละกันเดี๋ยวพักกันสักครูตรการช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะกับไมค์คอมพิวเตอร์ค่ะเราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาเดินหน้าอย่างมืออาชีพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards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 ดูแลมันดาลหลังพลอดเปิดให้บริการทุกวันที่วิทยาลัยการแพทย์แผ่านไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโรฮีราชมงคลทัญญาบุรีศูนย์รงังสิทธิ์ปากทางเข้าเมืองเอกหยุดวันนักขัดตะเลิกสอบถามโทร 02-592-1991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 เวิร์ดไวเบ็อบดอทฟีไอเอสเอฟดอทอาร์เอ็มยูทีทีดอทเอซดอททีเอสสถานสุขภาพความงามบัวสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลธัญบุรี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 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบรุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติมศูนย์สองห้าเก้าสองหนึ่งเก้าสามสามศูนย์ผลิตและบริการวิจ า, ารณ์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบรุรีศูนย์รับผลิตยาสมุนไพรในรูปแบบแคปซูลชนิดผงพร้อมชง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 สู่ช่วงนี้นะคะมาติดตามกันต่อกับเรื่องเราวของเทคโนโลยีในไมโครคอมพิวเตอร์ค่ะมาติดตามในส่วนของซารัสกันดีกว่านะคะจริงๆเนี่ยเรื่องนี้น่าจะพูดตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วแหละแต่มาเพิ่มเติมกันสักนิดนึงนะเริ่มใช้มาตรการณนี้แล้วนะคะขอวีซ่าต้องยื่นพร้อมข้อมูลโซเชียลมีเดีย ทูตหรือว่าราชการบางไรายเนี่ยอาจจะได้รับการยกเว้นนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศของสาหราัฐค่ะเริ่มใช้มาตรการใหม่กับผู้ที่ยื่นของหรือว่าคำร้องขอวีซ่าของสาหรัฐอเมริกาคะ่ะโดยผู้ยื่นเนี่ยจะต้องให้ข้อมูลโซเชียลมีเดียชื่อยูเซอร์ที่ใช้ในโซเชียลมีเดียมีในลักษณะของอ、e、ีเมลเอสเดย์แล้วก็เบอร์โทรศาทัพท์ประกอบกับเอกสารอื่นๆในการยื่นขอวีซ่าด้วยคะ่ะถือเป็นอีกหนึ่งระเบียบคำสั่งเพื่อขัดกรองผู้เข้าประเทศตามนโยบายของประธานาธิบดีโดนัททั้ม ที่ได้เสนอเอาไว้นะคะตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วแล้วแหละสำนักงานหรือว่าสำนักข่าวหลายแห่งนะคะรายงานตรงกันนะคะว่ามาตรการใหม่นี้จะไม่ได้ใช้กับผู้ที่ยื่นของวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาทุกคนเนื่องจากนักการทูตแล้วก็ผู้ยื่นขอวีซ่าประเภทราชการบางรายเนี่ยอาจจะได้รับการยกเว้นจากมาตรการดังกล่าวค่ะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแล้วก็การพิจารณาของเจ้าหน้าที่แต่สำหรับผู้ที่ยื่นขอวีซ่าปกติทั่วไปมาทำงานหรือศึกษาต่อจะต้องยื่นข้อมูลทั้งหมดแล้วก็คาด ะะว่าน่าจะ มีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า15ล้านรายต่อปีด้วยเบื้องต้นนะคะกระทรวงการต่างประเทศของสาหรัฐอเมริกาได้เริ่มอัปเดตข้อมูลในแบบฟอร์มสำหรับผู้ที่ยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศแล้วด้วยนะคะแล้วก็ได้เพิ่มช่องโซเชียลมีเดียอินเดอร์ที่ฟายเข้าไปคะ่ะเพื่อให้ผู้ยื่นเนี่ยกรอกข้อมูลโซเชียลมีเดียประกอบการของวีซ่านั่นเองกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะคะบอกว่าความมั่นคงของชาติถือเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดเมื่อต้องพิจารณาคำร้องของวีซ่าสาหรัฐอเมริกาและนักท่องเที่ยวทุก ทุกคนนะคะรวมถึงผู้ขออพยพเข้าสหรัฐจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองด้านความปลอดภัยโดยพวกเราทำงานอย่างต่อนเนื่องเพื่อหากลไกลในการพัฒนากระบวนการคัดกรองของเรา เพื่อป้องกันคุ้มกันพลเมืองขณะที่ยังสนับสนุนการเดินทางที่ถูกกฎหมายมาอย่างสหรัฐอเมริกาอยู่นั่นเองค่ะอ่าก็ถ้าออกมาตรการมาเราก็ปฏิบัติตามสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางเข้าไปที่สหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะอ่ายังกลับมาอยู่ในเรื่องของเฟซบุ๊กกันต่อนะคะเขาบอกว่าทางเฟซบุ๊กเนี่ยเขาเตรียมจะเปิดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสตูดี้ค่ะ ขอข้อมูลใช้งานตรงๆมีค่าตอบแทนให้ด้วยเอ้ยเป็นยังไงอะ่ะเฟซบุ๊กนะคะประกาศเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ที่ใช้ชื่อว่าสตูดี้ฟอร์มเฟซบุ๊กซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานค่ะเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่อ น, นั่นเองโดยผู้ที่เข้าร่วมนะคะจะได้รับค่าตอบแทนจากการแชร์ข้อมูลและแอปพลิเคชันสตูดี้ฟอร์มเฟซบุ๊กนี้นะคะจะมีให้บริการบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยเท่านั้นซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรมนะคะ ไม่สามารถหาแอปพลิเคชันโหลดจาก Google Play Store ได้โดยตรงค่ะสำหรับข้อมูลที่ Facebook จะเก็บผ่านแอปพลิเคชันนะคะจะประกอบไปด้วยแอปพลิเคชันต่างๆที่เราเนี่ยลงบนอุปกรณ์เวลาที่ใช้งานในแต่ละแอปพลิเคชันประเทศที่อยู่รุ่นของอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือเครือข่ายต่างๆที่ใช้ฟีเจอร์ของแอปพลิเคชันที่ใช้งานค่ะโดยแอปพลิเคชัน Study อันนี้เนี่ยจะไม่เก็บข้อมูล ID รหัสผ่านหรือว่าข้อมูลบนเครื่องเช่น รูปภาพวィィิดีโอหรือว่าไฟล์เอกสารต่างๆนะคะโดยผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรมนะคะสามารถดูได้ค่ะว่าข้อมูลอะไรจะถูกเก็บไปบ้างและข้อมูลที่ได้จะไม่ถูกนำไปขายยังบุคคลที่สามเพื่อจัดการโฆษณาหรือรวมไปในบัญชีเฟซบุ๊กแต่อย่างใดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่เฟซบุ๊กประกาศเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสตาร์ดี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นในส่วนของค่าตอบแทนนะคะยังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมออกมาทั้งนั้นนะซึ่งค่าตอบแทนเนี่ยจะเป็นอย่างไร อะไรยังไงนะคะก็จะมีการขยายโปรแกรมนี้ไปยังประเทศอื่นๆหรือเปล่านะคะต้องรอติดตามในอนาคตต้องรอให้เขาประกาศจริงจังก่อนนี่เป็นข่าวโคมลอยมาหูฟังนะคะรอดูกันแล้วกันในอนาคตค่ะเอามาดูวิธีการลบข้อมูล ผู้สร้างไฟล์งาน Microsoft Office กันบ้างหลายท่านใช้งานนะคะแล้วทีนี้เนี่ยอยากจะลบไฟล์ข้อมูลผู้สร้างขึ้นมาวิธีการลบข้อมูลผู้สร้างไฟล์งานบน Microsoft Office นะคะอย่าง Word Excel PowerPoint อะไรอย่างนี้แล้วก็โปรแก ร, รมอื่นๆที่สร้างด้วย Microsoft Office นะคะเพราะว่าเวลาเซฟงานเนี่ยก็จะขึ้นเป็นชื่อผู้สร้างนี้เนี่ยออกมา เป็นรูปแบบต่างๆออกมาให้เราเห็นนะคะหากไม่อยากให้ปรากฏชื่อไฟนี้นะคะจะจัดการอย่างไรเอามาดูวิธีการนะคะวิธีการลบข้อมูลผู้สร้างไฟล์บนงานบน Microsoft Office นะคะเริ่มจากเปิดไฟล์ Office ของคุณมาหนึ่งไฟล์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีชื่อของผู้สร้างไฟล์งานอยู่โดยหากนำเมาส์ไปชี้นะคะจะขึ้นข้อมูลรายละเอียดการสร้างไฟล์แล้วก็ชื่อผู้สร้างไฟล์อย่างเราด้วยจากนั้นเนี่ยคลิกที่ เมนูแถบไฟล์ค่ะแล้วก็คลิกที่ปุ่มตรวจสอบปัญหาแล้วตามด้วยตรวจสอบเอกสารจากนั้นคลิกที่ปุ่มตรวจสอบสังเกตที่รายการที่สอง แจ้งพบข้อมูลคุณสมบัติเอกสารและข้อมูลส่วนบุคคลโดยพบทั้งชื่อคุณสมบัติเอกสารและผู้เขียนให้คลิกที่เอาออกทั้งหมดนะคะแล้วก็คลิกปุ่มปิดได้เลยทำการเซฟบันทึกทับไฟล์เดิมอีกครั้งผลที่ได้นะคะก็คือชื่อผู้สร้างไฟล์งานออฟฟิศนั้นจะหายไปไม่ปรากฏชื่อของเราบนไฟล์งานอีกเลยะค่ะผู้ฟังสำหรับคนที่ต้องการจะลบข้อมูลผู้สร้างไฟล์งาน อะไรก็ตามนะคะของทาง Microsoft Office ใช้ได้หมดเลยทั้ง Word Excel แล้วก็ PowerPoint รวมถึงอื่นๆด้วยของในตระกูล Microsoft ทั้งหมดค่ ะ, ะมาติดตามเรื่องราวของการส่งอีเมลผิดแล้วสามารถดึงกลับได้ดีกว่าอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าดึงกลับได้ในส่วนของ Undo Send นะคะบนเว็บไซต์ Outlook Outlook นี่น่าจะเป็น Hotmail ของบุฟังนะคะ ส่งผิดดึงกลับได้นะคะด้วย Undo Send นะคะหากคุณเนี่ยเคยใช้ Gmail อาจจะทราบดีว่าฟีเจอร์เนี้ยเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันทั้งบนเว็บไซต์ของ Gmail.com เองแล้วก็แอปพลิเคชัน Gmail บนมือถือค่ะอันนี้เพิ่งทราบแล้วเนี่ยแต่ว่าล่าสุดนะคะใครที่ใช้เอาลูก .com หรือว่าบริการบัญชีของ Microsoft อย่างเช่น msn.com, Binderlabs แล้วก็ Hotmail นะคะก็มีฟีเจอร์ Undo Send เหมือนกันเป็นฟีเจอร์ล่าสุดค่ะถ้าหากคุณส่งเมลผิดสามารถดึงกลับได้ทันทีนั่นเอง เริ่มต้นจากเข้าเว็บไซต์ outlook.com กันก่อนทำการล็อกอินด้วยบัญชี Microsoft นะคะเช่นบัญชี Hotmail, Outlook, Windows Live, msn.com อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องหากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ไอคอนเป็นฟันเฟืองสัญลักษณ์แห่งการตั้งค่านะคะแล้วก็คลิกที่ด้านล่างสุดของแถบด้านขวาว่าดูการตั้งค่า Outlook ทั้งหมด คลิกได้เลยค่ะจากนั้นนะคะคลิกรายการที่จดหมายหรือว่าอีเมลและคลิกไปที่ส่วนการเลือกเขียนและตอบกลับนะคะแล้วก็เลื่อนรายการด้านขวาลงมาด้านล่างจะเห็นรายการยกเลิกการส่งหรือว่าอันดูเซนซึ่งปกติแล้วเนี่ยตอนคลิกส่งแล้วจะส่งทันทีนะคะแนะนำให้คลิกตรงขีดแล้วเลื่อนไปทางขวาเพื่อเลื่อนเวลา รอส่งข้อความนะคะซึ่งรอได้นานสุดสิบวินาทีค่ะเสร็จแล้วให้คลิกปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกการตั้งค่าและเริ่มทำงานการตั้งค่าแบบใหม่ได้เลยคราวนี้เนี่ยเวลาคลิกส่งจดหมายนะคะแล้วก็มันจะขึ้นปุ่มว่าเลิกทำซึ่งจะอยู่ได้นานสิบวินาทีจากนั้นก็คือคุณสามารถยกเลิกคำสั่งจะส่งได้นั่นเองนะคะถ้ากรณีเผลอแบบคลิกส่งไปโดยที่คุณยังพิมพ์ไม่เสร็จอะไรเงี้ยคุณสามารถยกเลิกการส่งโดยการคลิกปุ่มยกเลิกหรือว่าเลิกทำนะคะยกเลิกการส่งจดหมายนี้ได้ป้องกันการส่งเมลผิด หากเกินสิบวินาทีเนี่ยก็เท่ากับว่าจดหมายนี้ได้ส่งไปแล้วยกเลิกไม่ได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็คือมีเวลาให้คุณแอบร่มเหมือนแบบว่าคุณจะเซฟไหมอ่ะคุณวัง ถ้าเรากด no อะไรเงนี้ยมันก็หายไปเลยเนาะแต่ถ้าเราแบบเออบันทึกก่อนกลับมาแก้ไขอะไรอย่างงี้ยกเลิอกแก้ไขได้นะคะประมาณนี้เลยอาภิทายในแลายเพย์ละกันนะคะรุกหนักเลยสังเวียนฟินเทคนะคะจับมือวีซ่าพัฒนานาวัตกรรมการจ่ายเงินบนแชทแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะลายเพย์นะคะเพื่อให้บ ร, ริการ e wallet บนแชทแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยประกาศความร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับวีซ่าค่ะช่วยให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถใช้บ ร, ริการทางการเงินรูปแบบใหม่ๆได้พร้อมสร้างนาวัตกรรม ด้านฟินเทคให้กับผู้ใช้งานทั่วโลกนะคะปัจจุบันไลเป้และก็วีซ่าร่วมมือกันให้บริการบัตรเครดิตไลเป้วีซ่าเราด้วยในไต้หวันโดยมีผู้ใช้งานหรือว่าใช้บริการณ์นตอนนี้นะคะมากถึง 2.3 ล้านรายด้วยคาดว่าภายในปีนี้ค่ะสิ้นปีเนี่ย2019นี้นะคะน่าจะเริ่มให้บริการที่ประเทศญี่ปุ่นได้เพื่อให้ทันในช่วงเทศกาลโอลิมปิก2020ที่ญี่ปุ่นจะมาเป็นเจ้าภาพนั่นเองค่ะทำให้ผู้ถือบัตร LinePay Visa นะคะจะสามารถผลุกบัตรเข้ากับแอปพลิเคชั่นของ LINE เพื่อใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทันทีค่ะประตาฐานเจ้าหน้าที่บริหาร LINEPay หรือว่า LINE ฟินเทคคอมพานีคุณยูซูโคนะคะได้บอกว่าเพื่อตอบรับการเดินหน้าสู่การเป็นสังคมไร้เงินสดสิ่งที่ไลน์เพย์นำเสนอให้กับผู้ใช้งานจึงไม่ใช่แค่ให้บริการด้านการชำระเงินเท่านั้นแต่มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ใช้ไลน์และก็พันธมิตรจากธุรกิจอื่นๆให้ครอบคลุมทั่วโลกนะคะวีซ่าการใช้วีซ่าแบบนี้เนี่ยจะสะดวกและง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ จริงๆความร่วมมือในครั้งนี้นะคะจะประกอบด้วย4ด้านหลักๆค่ะคือ1คือ1จัดการชำระเงินประจำวันผู้ใช้บริการของไลน์กว่า187ล้านคนทั่วโลกสามารถใช้บริการบัตรบีซ่าได้บนไลน์และสามารถเพิ่มบัตรที่ใช้ได้ทุกเวลาเพื่อใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน โดยในอนาคตทางลายแล้วก็วีซาเองนะคะจัดกิจกรรมสนับสนุณด้วยให้ใช้ง ichi yat ม그러니까กับข้อเสนอสุดพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมมีการชำรับเงินแบบใหม่ด้วยสำหรับผู้ใช้ป그럼ทาง практи Natural in Kansas ощущ 머 зд Veteran 2คือครประก Chinese Station к Make major additional Premier in Canada iejas Rossau 결과สำหรับผู้ใช้ line pay สามารถใช้ป zzle51 compared to these NI Peay vs Visa 我們的業務มาก ost 74เพผานวซาในรานคือทั่วโลกได้นะคะ ทำให้ผู้ค้าเนี่ยสามารถใช้บริการหรือว่าใช้ประโยชน์จากไลน์เพย์ได้ในรูปแบบอื่นๆเพิ่มเติมมากยิ่งขึนค่ะสามนะเขาบอกต้องการพัฒนาฟินเทคเซอร์วิสต์ไลน์เพย์แล้วก็วีซ่าเนี่ยร่วมกันพัฒนาประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐานของบล็อกเชนที่จะสามารถชำระเงินแบบ B to B แล้วก็การชำระเงินข้ามพรมแดนรวมไปถึงการทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินที่ต่างกันได้ด้วยค่ะสุดท้ายค่ะการส่งเสริมการตลาดไลน์เพย์แล้วก็วีซ่าเนี่ยจะร่วมกันสร้างแคมเปญทางการตลาดและโปรโมชั่นพิเศษเพื่อแสดงถึงการผลักดันให ญี่ปุ่นเป็นสังคมรายเงินส่น ต้อนรับมหาโอลิมปิกโตเกียวสองพันยี่สิบทั้งช่วงก่อนและหลังเสร็จสิ้นมหากรรมโอลิมปิกนั่นเองค่ะรอดูนะคะตอนนี้เนี่ยจับไม้จับมือเรียบร้อยแล้วด้วยไลน์เพย์และวีซ่าค่ะจะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีไอทีนะคะกับไมค์คอมพิวเตอร์กับดิฉันดาริสาตรักุณเก็กนั่นเองค่ะคุณฟังสามารถติดตามรับฟังรายการไมค์คอมพิวเตอร์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้หมดเวลาแล้วด้วยค่ะจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆนะคะในสัปดา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 ラファンオンライディター、w o w w r a d i o r m u t a c t h o Sunsong、h